ศึกษาพระธรรมอะที่ไหนเรากุศลเจริญเราก็อยู่มากหน่อยที่ไหนเราคิดว่าเราจะเจริญงอกงามในธรรมะได้เราก็เอาที่นั่นก็ว่าแตนถ้าหากว่าเราไม่เอากุศลธรรมเป็นหลักนะไม่เอากุศลจิตเป็นหลักเราก็คือผิดพลาดละเพราะว่ากิจของนักบวชก็คือการประพฤติเพราะบำเพ็ญพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์ น, นั้นก็เป็นชื่อของ ศีลสมาธิปัญญานันถ้าหากว่าอยู่ที่ใดแล้วก็ไม่เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนะหรือทรงตัวอยู่เฉยๆไม่เจริญมากขึ้นนะก็แสดงว่าที่นั่นควรพิจารณาแล้วควรพิจารณานถ้าหากว่าผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกจะเห็นว่าพระสมัยพุทธกาลนั้นจะจาริกค่อนข้างมากนะจาริก มันพระองค์ก็เลยโทษแสดงโทษของการเดินทางมากเกินไปหนึ่งแล้วก็แสดงโทษของการอยู่กับที่อย่างหนึ่งนะก็คื อ, อเดินทางเกินไปก็ไม่ดีอายู่ติดกับที่มากเกินไปก็ไม่ดีนะนะอันหาความพอดีให้พบกันและกันถามว่าความพอดีที่ว่านี่คืออะไรก็คือการเจริญงอกงามในกุศลธรรมนั่นแหละนะถ้าหากว่าผู้ที่วิเคราะห์สภาพจิตตัวเองบ่อยๆเนี่จะรู้ว่าเราเจริญในกุศลธรรมขึ้นไหมหรือว่าไม่เจริญ เราต้องตรวจเช็คตัวเองได้ก็เหมือนกับคนไข้อะนะคนไข้ที่เกิดมาก็ป่วยมาตลอดเลยช่วงไหนป่วยนะอาการมันหนักช่วงไหนมันค่อยๆสางขึ้นมาบ้างช่วงไหนมันสบายช่วงไหนมันเบาหน่อยอะไรเนี่ยก็ต้องแยกแยะไดะ้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันต้องสา ม, มารถที่จะแยกแยะได้ว่าช่วงนี้เบาจากโรคคือกิเลสไม้มนั่นแหละเพราะว่า พระองค์ตรัสว่าผู้ที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีโรคทางกายเนี่ยตลอดหนึ่งปีสองปีสามปีเป็นต้นก็พอหาได้แต่ผู้ที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีโรคทางใจเนี่ยแม้เชชั่วครู่หนึ่งหาได้ยากเว้นพระขีนาศกเว้นพระรอรหันต์ทงของเราก็คือโรคมันไม่ค่อยกําเริบมากถือว่าใช้ได้แล้วโรคไม่กําเริบแล้วก็ยานี่ได้รับมากขึ้นมากขึ้นเจริญ ง, งอกงามในกุศลธรรมมากขึ้น ก็แสดงว่านั่นแหละคือกิจของเราันถ้าหากว่าเราไม่บำเพ็ญกิจอันนั้นเข้าไม่เจริญกุศลอันนี้เราก็เรียกว่าเจอเจอผู้ศาสนาแต่เราได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมากนั่นแหละพอเราล่วงรับดับชีวิตตายจากชาตินี้ไปแล้วไปหอยหวนหาพระพุทธเจ้าที่ไหนอีกเพราะว่าผู้ศาสนาก็มีกําหนดไขใช่ไหมดวงอาทิตย์ถึงจะดวงใหญ่แต่ก็รับขอบฟ้าไปแล้วพุทธศาสนาถึงจะเป็นของที่มีบุญหนักสัก์ใหญ่ แต่ก็อยู่ได้ชั่วระยะนั่นมันเป็นกฎของธรรมชาติว่าสังขารธรรมทุกชนิดมีการประชุมกันเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมสลายไปในที่สุดมันเป็นเป็นธรรมชาติของสังขารทุกอย่างในโลกนี้นั่นแหละเราจะสําคัญผิดสําคัญถูกสําคัญมันยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นทั้งมันนั่นแหละธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเองนะถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอันนี้ขึ้นก็รีบเจริญกุศล กุศลเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่สามารถเจริญกุศลได้เนี่ยเราก็าก็เป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายนั่นแหละอา่าวันนี้ก็ขอกล่าวถึงพระสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปนาตมหาหัตถปโทปมสูตรพระสูตรที่อุปมาเหมือนกับรอยเท้าช้างใหญ่ อรอยเท้าช้างซึ่งเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างจะชอบมากนีมันตอนเย็นๆก็เอาสูตรนี่มาเอาของชอบมาให้ไม่รู้คนอื่นชอบด้วยหรือเปล่าไม่ทราบคุณมูชูชอบน ะ, ะข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถี สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับคําของท่านพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมประชุงลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลกย่อมกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่แม่ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมสงเคราะห์เข้าในอริยสัจสี่ฉะนั้นเหมือนกันแหละนะกุศลทุกชนิดก็สงเคราะห์ลงในอริยสัจทั้งหมดนั่นแหละคืออริยสัจนั้นเป็น เป็นธรรมะที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับรอยเท้าช้างใช่ไหมใหญ่มากเพราะว่าอริยสัจนั้นไม่อยู่เฉพาะกุศลอย่างเดียวใช่หมอันนัอากุศลก็เป็นสัจจะไหมเป็นวิบากก็เป็นสัจจะเป็นอริยสัจด้วยกิริยาก็เป็นอริยสัจด้วยรูปก็ยังเป็นอริยสัจด้วยเพราะฉะนั้นอกุศลนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่กุศลทั้งหมดก็ประชุมลงใน อริยสัจใช่ไหมอริยสัจมี4อย่างนะกุศลธรรมทุกชนิดสงเคราะห์ลงในอริยสัจสี่อริยสัจสี่นี้มี4อย่าง4อย่างคือทุกขอริยสัจหนึ่งทุกขสมุทัยอริยสัจหนึ่งทุกขนิโรธอริยสัจหนึ่งทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจหนึ่งอริยสัจทั้ง4ประการ ท่านถ้าหากว่าผู้ที่เจริญกุศลธรรมถ้าหากว่าการเจริญงอกงามในกุศลธรรมต้องเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจมากขึ้นนะถ้าหากว่าเราไม่รู้อริยสัจมากขึ้นในการศึกษาพระธรรมคำสอนแสดงว่าไม่เป็นการเจริญกุศลเพื่อกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกข์หาอริยสัจเป็นฉไฉนแม้ความเกิดเป็นทุกข์นะ ดูในแผนเมื่อคืนช่วยก็ได้นะคล้ายๆกันชาติพิทุกขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราพิทุกขาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะพิทุกขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์นะแม้ความเศร้าโศกความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์แม้ความที่ไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้ก็เป็น ทุกไม่สมหวังไม่สมความปรารถนาไม่สมใจนึกอ่ะนะนึกอย่างนี้มันไปอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ความไม่สมใจนึกไม่สมใจหวังไม่สมใจปรารถนาพวกนี้ก็เป็นเป็นทุกข์อย่างหนึ่งว่าโดยย่อความทุกข์ทั้งหมดเลยนะนับตั้งแต่เกิดจนถึงไม่สมหวังเนี่ยนะประมวลแล้วก็คืออุปาทานขันหนะ้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์ มันถ้าจะไล่ทุกเหล่านั้นให้มันจบมันสิ้นไม่มีจบไม่มีสิ้นใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องการเกิดนี่มันมากมายมหาศาลเกิดในกําเนิดสามคติสี่กําเนิดกําเนิดสี่คติห้าใช่ไหมพบสามมันถ้าหากว่าขยายไปตามนั้ น, นจบไม่เป็นะะแม้แต่กําเนิดเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็ต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวันนะเกี่ยวกับเรื่องเกิดนี่ก็มากมายเกิดมาแล้ว เจ็บอีกและโลครคภัยไข้เจ็บมีมากมายมหาศาลนั่นแนหะละโรคชาราอีกนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหมดเหล่านั้นประมวลมาแล้วก็คืออุปาทานขันห้านะถ้าไม่เอาอุปาทานขันห้ามาสรุปนี่เราเรียนไม่หวาดไม่หวเหมือนกันัต่ถ้าประมวลมาเป็นขันห้าปั๊บโอ้ทุกทั้งหมดที่ว่าก็คือขันห้านั่นเองเข้าใจไทุกในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะหรือว่าทุกในหมู่มนุษย์หรือเทวดาทั้งหมดเหล่านั้นก็คือ อุปาทานขันหเท่านั้นแหละก็อุปาทานขันห้าเป็นไหนคืออุปาทานขันคือรูปนะอุปาทานอขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณก็คืออุปาทานขันห้านี่แหละคือตัวตัวทุกบังััน ก็อุปาทานขันคือรูปเป็นฉนนะขันมีหใช่ไหมขันห้าเอายกมารูปประขันก่อนรูปประขันก็คือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นะมหาภูตรูปสี่ก็คือดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มหาภูตรูปสี่เป็นฉไนะคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธ า, านะคิดว่าเอามาแค่สอยา่าง จริงรูปทั้งหมดมี28นะ28นั้นกล่าวมาแค่4อย่างนะเขินต้นแล้วเนี่ยกุศลธรรมทั้งหมดอยู่ที่อริยาาสัจ4ใช่ไหมอริยาาสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคในอริยาาสัจ4นี้3ข้อยังไม่พูดถึงพูดถึงเฉพาะทุกขาริยาาสัจอย่างเดียวทุกขาริยาาสัจก็ยังแบ่งออกเป็นขันห้าในขันห้านั้นอนะ่นะเอาแค่รูปประขันมาอย่างเดียว นะรูปอปาคารมี28ก็ไม่เอาหมดเอาแค่มหาภูตรูปอย่างเดียวดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ปฐวีธาตุเป็นฉนิดนธะาตุดินเนี่ยเป็นอย่างไรคือปฐวีธาตุที่เป็นปภายในก็มีปฐวีธาตุที่เป็นไปภายนอกก็มีนะปฐวีธาตุมีสองอย่างคือทั้งภายในในก็คือในไหนในร่างกายของเรานั่นแหละ ภายนอกก็คือนอกร่างกายของเราก็ปฐวีธาตุที่เป็นไปภายในเนี่ยเป็นฉไนก็คืออุปาทินอากาศรูปอันเป็นภายในนะเป็นของเฉพาะตนเป็นของแข่นแข็งเป็นของหยาบนะอะไรที่มันแข่งแข็งอะไรที่มันหยาบซึ่งมีอยู่ภายในตนอ่ะที่มีอยู่ภายในร่างกายนั่นแหละเรียกว่าปฐวีธาตุภายในประกอบไปด้วยผมนะ นี่ก็แข็งแข็งหยาบใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าก็หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอุปทาทหน้าการูปอันเป็นภายในเป็นของเฉพาะตน เป็นของแข่นแข็งเป็นของหยาบอย่างอื่นนี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายในเอาส่วนที่มันห ย, ยาบหยาบนะซึ่งมีอยู่ในกายของเราเนี่ยนะเบ mm hmm. ื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบ mm hmm. ื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบถ้าหากว่าสู่ทั่วไปก็จะกล่าวในลักษณะของปฏิกูลใช่ไหมเ mm hmm. ต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้แต่ตรงนี้นี่แสดงในลักษณะธาตุ คำว่าธาตุก็คือทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนซึ่งประกาศถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ว่ามีอยู่จริงแต่เป็นของว่างว่างจากอะไรว่างจากจญิงว่างจากชายผมเนี่ยมีหญิงมีชายไหมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยมีหญิงมีชายเป็นต้นไหมมีสัตว์มีชีวะอยู่ในนั้นไหมไม่มีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยของเขาอันนี้ นั้นของที่มันหยาบหรือว่าของที่มันแข็งแข็งที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดเหล่านั้น่ะเรียกว่าปฐวีธาตุ<ม>ก็ปฐวีธาตุอันใดแลเป็นไปในภายในและปฐวีธาตุอันใดเป็นไปในภายนอกนั่นเป็นปฐวีธาตุแลปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกเช่นก้อนอิดก้อนหินภูเขาต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยพวกนี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายนอกซึ่งมีลักษณะหยาบมีลักษณะแข็งแข็งทั้งหมดเหล่านั้นก็คือปฐวีธาตุ บัณฑิตเพึงเห็นปฐวีธาตุนั้นนั i, anya, mm. ่นด mm. ้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านะเห็นด้วยปัญญาอันชอบปัญญาอะไรปัญญาในที่นี้หมายถึงเห็นด้วยวิปัสนาปัญญานะเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราก็คือไม่ตามเห็นปฐวีธาตุด้วยอำนาจของโลภะเราไม่เป็นนั่นนะก็คือไม่ตามเห็นปฐวีธาตุด้วยอำนาจของ มานะนั่นไม่ใช่อัตตาของเราไม่ใช่ตน้นหรือเรียกว่าอัตตานั่นเองก็คือถามว่าเห็นอย่างไรตามเห็นปัทวีธาตุโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะว่าปัทวีธาตุนะทั้งภายในทั้งภายนอกก็มีสภาวะไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแล้นะไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงนั่นเองบัณฑิตครั้นเห็นปัทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้ว ย่อมเบือห์นายในปฐวีธาตุย่อมอย่างจิตให้ใคลายกำหนัดในปฐวีธาตุ <c oughs> คือเมื่อตามเห็นความเป็นจริงของเขาของผมอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นความจริงของผมเนี่ยผมเขาก็เป็นไปตามเรื่องตามราของเขาใช่ไหมนะอยากไม่อยากเขาก็ไปตามเรื่องของเขาถ้าบำรุงดีก็อยู่นานหน่อยถ้าบำรุงไม่ดีก็ไม่ไหวนะคนเขาก็ไปตามเรื่องของเขาอะ่ะเลี้ยงมันดีเาก็ดีหน่อยลเลี้ยงไม่ดีเขาก็ไปดีด้วย และเหมือนกันนะฟันเหมือนกันเลี้ยงดีก็ดีเลี้ยงไม่ดีก็เอาเรื่องอกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดก็เหมือนกันมันเขาก็ไปตามเรื่องตามราวของเขาเพราะเขาเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมปัจจัยแห่งมหาภูต ร, รูปเหล่านี้ก็คืออะไรใช่ไหมถ้าร่างกายภายในเราก็เกิดจากกรรมถ้ากรรมไม่ไม่ไม่แต่งปัญหาไม่ปรุงไม่สร้าง กายมันก็ไม่เป็นลักษณะนี้แต่ก็ด้วยอํานาจของตันหาด้วยอํานาจของอุปาทานด้วยอํานาจของตามนั่นแหละมีอาหารเป็นพี่เลี้ยงดูแลรักษาเอาไว้เป็นอย่างนี้ฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเห็นสภาวะว่ามีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ก็หมดไปนะเป็นของซึ่งอยู่ชั่วคราวระยะหนึ่งนะดันั้น เราก็คิดดูนะว่าปฐวีธาตุเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาทีแรกก็ไม่ได้โตขนาดนี้เนาะนะกินข้าวสด ข, ขนมสดมาเรื่อยๆก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆค่อยๆโตค่อยๆโต ต, ต, ตันหาและที่ทีเนี่ยเข้ายึดเลยนะเราของเราเป็นอัตตาของเราอะไรจริงเขาก็มาตามหน้าที่ของเขาทีนี้พระสารีบุตรท่านก็อุปมาว่า สมัยที่ปฐวีธาตุที่เป็นไปภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้แลในสมัยนั้นปฐวีธาตุอันเป็นไปในภายนอกจะเป็นของอันตรธานไปก็เชื่อว่าความที่แห่งปฐวีธาตุอันเป็นไปในภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงจักปรากฏได้ความเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาจับปรากฏได้ ความเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้ความเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้นะขนาดว่าแผ่นดินซึ่งมันใหญ่โตมากมายก็ยังเป็นของที่มีความเส้นมีความเสื่อมเป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไปเห็นภูเขาทั้งลูกในสมัยนี้เดี๋ยวก็ระเบิดเต้นหมดใช่ไหมฮมาทำถนนตึกรามบ้านช่องซึ่งมันใหญ่โตมันก็ยัง แตกก็ยังทาลายยังแตกสลายพะเจดีบางทีพะเจดีใหญ่ๆก็ยังแตกทาลายยังแตกสลายนะขนาดซึ่งของมันใหญ่โตอย่างนั้นก็ยังเสื่อมสลายไปหรือว่าแผ่นดินใหญ่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาน ะ, ะถึงชั่วระยะกลับเสื่อมสิ้นไปแผ่นดินใหญ่นี้ก็ถูกตัวอะไรถูกไฟไหม้นะถูกน้าท่วมถูกลมพัดกระจัดกระจายหมด มันเป็นเป็นของที่ไม่ได้มีความคงทนทาวมั่นคงอะไรขนาดของภายนอกเหล่านี้ก็ยังไม่มีความคงทนไม่มีความมั่นคงอะไรแล้วนะภาษาอะไรกัไอของภายในเนี่ยเนาะบา บ, บางจะตายไปเป็นของที่น่าอาัศจรรย์นะการมีชีวิตอยู่ได้ไม่น่าอยู่ได้แต่ก็อยู่ได้เนาะหล่อเลี้ยงอยู่ได้เนี่ยเป็นของที่น่าอาัศจรรย์แต่ก็ชั่วคราวนีเป็นของชั่วคราว เพราะว่ากรรมม่ชโรคส่วนหนึ่งก็แล้วแต่กรรมถ้ากรรมเขาไม่ไม่อุปธรรมกรรมเขาหมดปัจจัยกายนี้ก็ต้องแตกทําลายไปเป็นธรรมดาก็ฉะไหนว่างั้นคือขนาดของภายนอกอยังแปรปรวนไปเป็นธรรมดาได้เนี่ยก็ฉะไหนความที่แห่งกายอันตันหาเข้าไปถือเอาแลว้วว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่ อันตั้งอยู่ตลอดการพอประมาณนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละซึ่งไม่เที่ยงใช่ไหมมีแล้วก็ไม่มีมีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นนะแสดงว่าผมนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วย ผมเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไหมไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรไหมที่จะตามเห็นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตราของเราก็ไม่ควรเนาะผอมขรุแหลบฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นลักษณะนี้ของเขาอ่ะซึ่งเป็นของที่อยู่ชั่วคราวเป็นของที่อยู่ได้ไม่นานนั่นแหละแต่ด้วยอํานาจนิจวิปลาสนะนะสำคัญว่าเหมือนกับ ถาวรเหมือนกับมันมั่นคง ท, งทั้งๆที่มันอ่านนะความเสื่อมสิ้นสลายไปของของร่างกายของคนอื่นก็มองให้เห็นตั้งมากมายใช่ไหมคนตายให้เห็นก็เห็นเกือบทุกวันไปงานศพเนี่ยก็บ่อยบๆแต่ก็ไม่ใช่ศพเราสักทีไม่ค่อยคิดอย่างนี้ใช่ไหมไปงานศพเออมีแต่ของคนอื่นแหละไม่ใช่เราอะไรเพราะญาติคนอื่นไม่ใช่ญาติเราอีกนั่นแหละแต่ใกล้ตัวมาเมื่อไหร่ก็ไปชัก สะดุด้งแม่นะนั่นแหละนั้นถ้าหากว่ามีการเจริญมีการพิจรารณามีการไข้ครวญบ่อยๆมากขึ้นมันก็ความยึดถือเป็นต้นก็จะน้อยลงนะความยึดถือนั้นเป็นชื่อของอุปาทานอุปาทานมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษเพราะอุปาทานนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่แก่ภพเนาะเพราะเป็นปัจจัยแก่อะไรชาติชาติก็อะไราตไรามมาชะลาก็ตามมา ชรามอะไรตามไม่อีกตายแล้วเกิดนะมันจะไปยากอะไรนะของมันเร็วเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ผู้องค์ตัดว่าเหมือนความฝันเหมือนของขอยืมเข้ามามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยคามสามารถตันหามานะทิฐิในปฐวีธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยนะเมื่อตามเห็นลักษณะนี้บ่อย ปัทวีธาตุที่มีอยู่ในกายนี้ไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะหากว่าชนเราอื่นจะด่าจะตัดเพาะจะกระทบกระเทียบจะเบียดเบียนพิษสูนั้นไซ้นะ่คือเกิดไปถูกด่าเป็นต้นมาเนี่ยนะภิษสูนั้นย่อมรู้ชาติอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โซตะสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นแล e อาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยอาศัยเหตุเนี่ยจะมีไม่ได้ใช่ไหมความทุกขทั้งหมดเนี่ยนะที่เกิดก็เกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุทุกขก็ไม่เกิดทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงมีได้ทุกเวทนานี่มีเพราะอะไรมีจึงมีเวทนา<ะ>เพราะผัสสะนะทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงมีได้ทุกขเวทนานี่ที่ด่า ที่ด่าก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาแสดงว่าเจ็บใจใช่ไหมเจ็บใจนี่ก็เป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็เกิดจากโสตะสัมผัสนะภ mm hmm. ิกษุแม้นั้นแหลย่อมเห็นโสตะสัมผัสนั้นอ่ะเป็นของไม่เที่ยงเพราะภาษามีอะไรเป็นปจัจจัยภาษะก็เกิดจากสลายตนะถ้าตรงๆสลายตนะก็คืออายตนะภายในกับ อายตนาภายนอกทําให้เกิดจิตใช่ไหมอานานฮะูเสียงโสตะวิญญาณความประชุมสามอย่างเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแต่เสียงนั้นเป็นเสียงที่ไม่น่าปรารถนาเป็นเสียงเสียงด่ามาแบบนี้เพราะฉะนั้นผัสสะก็ภาษาเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพรภาษาเนี่ยมันเกิดอาศัยระหว่างหูกับเสียงกับโสตะวิญญาณอันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหมดไป ภาษาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงภาษาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีจิตได้ยินภาษาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีหูภาษาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษะจึงไม่เที่ยงอาศัยปัจจัยใช่ไหมถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่ไม่มีแล้วก็เหมือนกับเสียงกลองนะไหมถ้าไม่เคาะมันก็ไม่ดังแล้วไอ้การกระทบที่มันเคาะนี่ก็อาศัยการกระทบกันนั่นเองเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาที่เกิดจากภาษาเนี่ยนะ เวทนานั้นก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าไม่มีภาษาก็ไม่มีเวทนาเห็นว่าสัญญานั้นก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าไม่มีภาษาก็ไม่มีสัญญาเพราะว่าสัญญามีภาษาเป็นเหตุกล้ให้เกิดย่อมเห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงสังขารได้แก่อะไรได้แก่เจตนาเป็นต้นสังขารคือเจตนาเหล่านี้ถ้าไม่มีภาษะเจตนาก็มี ไม่ได้นั่นแะ่ะย่อมเห็นว่าวิญญาณ น, นั้นก็เป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมเคือพวกนามรูปพวกนี้เป็นปัจจัยอ่ะวิญญาณจึงมีถ้าไม่มีนามรูปเหล่านี้วิญญาณก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวิญญาณก็ไม่เที่ยงจิตอันมีธาตุเป็นอารมณ์นั่นเทียวของพิสูจน์นั้นย่อมเล่นไปย่อมฝอยได้ย่อมตั้งอยู่ด้วยดีย่อมหลุดพ้นนะก็หลุดพ้นจากจากความยึดถือในในสิ่งเหล่านี้ เพราะขณะนั้นเกิดการพิจารณาเรียนรู้ธรรมะในขณะที่หูได้ยินเสียงนะถามว่าพิจารณาตอนถูกด่าอย่างเดียวใช่ไหมใช่หเอาไหมเอาหรือว่าตอนถูกด่าก่อนแล้วค่อยพิจารณามันก็พิจารณาทุกคราวนั่นแหละเป็นไปได้ขณะนี้ก็หมั่นฝึกพิจารณาบ่อยๆนะเพราะว่าคาสอนเหล่านี้เพื่อให้สาวกทำ ทำอะไรทำปริญญาพ อ, องค์ตรัดเพื่อให้เรามีปริญญานะปริญญาแปลว่าไม่แปลว่ากาหนดนี่มันแคบไปถ้ากาหนดนี่คนทั่วไปนี่คิดเหมือนแตะเบรคแค่นั้นเออเสียงนงันง่นงๆอ่ะกหนดดูสิกำหนดดู ส, นนดสิมันก็จะอยู่แค่นั้นแหนะซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะ น, นั้นคำว่ากาหนดนั้นอ่ะยาตะปริญญาเนี่ยเป็นการรู้รอบรอบรู้วิจัยสิ่งเหล่านั้นตามตามความเป็นจริงทั้งหมดเลยวิจัยแมก้กระทั่ง เสียงเกิดจากสมุทฐานเท่าไรสองใช่ไหมเสียงเกิดจากจิตกับอุตุแล้วอุตุมีกี่ชนิดอ่ะเสียงรถเสียงเรือเสียงพัดลมเสียงตู้เย็นโทรทัศน์ทีวีโอ้เสียงมากมายแล้วเสียงคนอ่ะที่เรียกว่ามีจิตเป็นสมุทฐานแล้วจิตมีกี่ดวงอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่แบบเออสักแปลว่าเสียงเอ ไอ้สักแต่ว่าเสียงเนี่ยในคถานั้นเขาบอกว่าดูก่อนพาหิยะเธอพึงทำศึกษาว่าได้ยิน น, นะสักแต่ว่าได้ยินอ่ะเพราะไหนศึกษาก่อนนะนศึกษาก็เป็นชื่อของศึกขาสามเพราะนั้นพวกนี้จะต้องศึกษาเรียนรู้พิจารณาอย่างอย่างดีอย่างละเอียดแล้วก็พิจารณาหูด้วยพิจารณาโสตวิญญาณด้วยพิจารณาภาษาเวทนาด้วยนะ เพราะฉะนั้นจิตก็ไม่ยึดถือในถ้าหากว่ามีการพิจารณาทางหูก็เป็นลักษณะนี้